ความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฝังทงลายแต่ ร, ร, โรูโพธฏฐานกําลังนําเสนอเรื่องทุกขสัตว์คือความจริงที่แท้จริงหรือความจริงที่ทําให้บุคคลเข้าถึงความจริงเหล่านี้เป็นป ร, ริยัติก็มาถึงช่วงที่เราเรียกว่าชราคือความแก่และมาะนัคือความตาย คือตัวสภาวะทุกจริงๆมีสามอย่างนะคือแก่ตายเกิดแก่ตายแต่บางทีเราก็พูดคล้องจองว่าเกิดแก่เจ็บตายที่จริงความเจ็บนั้นมันเป็นทุกจรคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อไร่ก็ได้แต่ว่าเกิดแก่ตายนั้นเป็นสภาวะของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้ามีชีวิตเราก็เรียกว่าเกิดแก่ตาย ถ้าไม่มีชีวิตหรือเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ความแก่ในที่นี้ก็เป็นเช่นเดียวกันคือว่าทรงอธิบายกระบวนการธรรมชาติซึ่งมันก็มีอยู่เป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติในการอธิบายอรียสัตว์ในข้อที่ว่าด้วยชาติความเกิดและก็จะลาความแก่เนี่ยมาถึงจะลาความแก่พระรัชสั่งว่ารูปกรพิสูจน์ทั้งหลายชราเป็นอย่างไร ความแก่ความคล่ำคล้าความที่ฟันหลุดความที่ผมหงอกความที่นังหดเขี่ยวเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่หงอกแห่งอินทรีย์ในหมูสัตว์นั้นๆของสัตว์นั้นๆอันใดดุก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่าชรลาคือความแก่ความแก่เนี่ยมันก็เป็นกฎธรรมดาของชีวิตที่จริงเราเกิดมาเราก็ไหลไปเรื่อย ก็ไม่เคยหยุดนิ่งในลักษณะที่น้ำที่ตกจากที่สูงคือไม่ได้ย้อนกลับไปความแก่ท่านจึงแสดงไว้เป็นสองช่วงใหญ่ๆช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าแกปิดสมรวจบาลีท่านเรียกว่าปฏิจานะชราคือปกปิดความแก่เอาไว้ทั้งๆที่แกนั่นแหละแต่เราก็ยัดพูดไปว่าเจริญวัย ก็เป็นภาษาที่แปลกนะฮะเจริญก็คือเพิ่มปูนขึ้นพัฒนาขึ้นเจริญขึ้นแต่ว่าญาตินี่ที่จริงแปลว่าเสื่อมนะฮะไหวเนี่ยแปลว่าเสื่อมคือถ้าจะแปลให้ได้ความเนี่ยก็หมายความว่าความเสื่อมที่แสดงออกมาในรูปของความเจริญก็เป็นที่ต้องการพัฒนาพอใจของบุคคลทั้งหลายแต่เรามองดูสมมติว่าเด็กเกิดมาเนี่ยคือต่อกันมาเลย แต่ถามคนไหนแก่กว่าอาจจะนับเป็นนาทีอาจจะนับเป็นนา ท, อาจจนนนาทีอาจจะนับเป็นชั่วโมงแล้วบางทีนี่ถ้าต่อกันไปเนี่ยอาจจะดับเป็นวินาทีนะเช่นสมมติว่าลูกฝาวแฝดเขาเกอดแล้วเขาคลอดต่อกันมาเนี่ยก็นับเป็นวินาทีแต่ก็หมายความว่าอีกคนหนึ่งก็แก่กว่าคนหนึ่งเวลาจะสั้นหรือจะยาวก็ตามทีนี้ปัญหาเรื่องความแก่เนี่ย ก็สอนโดยนัยยะต่างๆนัยยะหนึ่งนะฮยอมรับในแง่ของสภาวธรรมคือถือว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาที่มันเป็นของมันอย่างนั้นอันนี้คือเรมองในสายทุกขสัตว์นะหมายความถ้ามองสายทุกขสัตว์ก็คือมองในแง่ของสภาวธรรมเศตรงสอนในอภินหาปัจจเวขณะว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้ก็คิดถึงอยู่เสมอ เวอร์เมื่อเจอคนแก่หรือเจออะไรเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเขาก็คือเป็นแบบอย่างของเราเป็นคนแก่เราก็นึกว่าเราก็ต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม่ลงพ้ความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปมองในเทวทูตสูตรเนี่ยเทวทูตสูตรที่เราได้ยินเราได้ยินอคนแก่คนเจ็บคนตายแต่เราสัมมน า, าสุดมากเราได้ยินสี่อย่างสี่อย่างเนี่ย แต่ว่าในเทวทูตสูตรเนี่ยไม่ไม่มีสมณะแต่ก็แยกกว่าเป็นห้าเคยมองที่ผู้หญิงมีขันหรือว่าเด็กอ่อนแล้วก็คนที่ต้องถูกจองจำลงโทษปูกมัดด้วยโซ่ส่วนต่างๆแล้วคนแก่คนเจ็บคนตาย ก็กลายเป็นเทวทูตห้าประการเป็นผู้สื่อข่าวสารที่ประเสริฐบอกกล่าวคนทั้งหลายได้ทราบว่าแม้คุณเองก็จะเป็นอย่างนี้แหละเวลานี้ข้าพเจ้าก็เป็นอย่างนี้ดูแล้วต่อไปคุณก็จะเป็นอย่างนี้ท่านบอกว่าเวลาคนเราไปสู่โยมโลกเนี่ยยมบาลจะสอบถามโยมราชนะจะสอบถามถึง ชีวิตในอดีตว่าก่อนจะตายเนี่ยเคยพบเห็นคนเหล่านี้หรือไม่จะพบเห็นจะถามนะฮะไม่ได้บอกว่าเทวทูตคืออะไรจะถามว่าเคยเห็นเทวทูตหรือไม่นะตาขาวเขาบอกว่าเห็นเน่ต้องถามม่าคิดยังไงคือจะต้องคิดไปในแนวที่จะเกิดธรรมะสังเวกเกิดความไม่ประมาทเกิดความกระตือร้นที่จะประพฤติปฏิบัติความดีหรือเกิดยอมรับนับถือท่านเหล่านั้นก็แสดงว่าคิดดีแต่ถ้า มองแล้วรู้สึกรังเกียจเหยียดหยามรู้สึกไม่อยากจะเกี่ยวข้องผูกพันก็ถือว่าคิดไม่ดีแล้วก็ถือว่าไม่เห็นเทวทูตคือเห็นก็เหมือนก็ไม่เห็นพอเห็นแล้วจะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสารรค์พัฒนาจิตใจของตนเองให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเทวทูตนะฮะเราจะเห็นว่าก็เป็นเงื่อนไขหลักอย่างหนึ่งที่นำให้เสด็จออกผนวชแล้วก็จะสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด ทีนี้เมื่อคนเหล่านั้นตอบแล้วอธิบายถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยก็จะส่งคนเหล่านั้นไปเกิดตามกรรมของเขาเราเรียกเราต้อ ง, องมองให้ดีนะว่าซื่อแสดงเมื่อถ้าเราเทียบเคียงต่างๆนี่คืออ่านอ่านหลายแห่งเนี่ยคื อ, อ, นคอในกรณีที่มันกั้มกึ่งกันไม่รู้ควรจะเกิดในที่ไหนดีเนี่ยมันจะตึงผ่านในเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่ามันลงตัวแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องผ่าน อย่างที่บอกว่าผู้โอปปาติกะตายปั๊บก็เกิดปุ๊บเหมือนกัะหลับแล้วตื่นขึ้นก็แสดงว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการตรงนี้หรือคนบางคนตายไปปั๊บแล้วเกิดเป็นเปรต ป, ปุ๊บหรือตายปั๊บตกนรกปุ๊บอะไรแต่ไรเนี่ยหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์อะไรก็เหมือนกันอันนี้ก็แสดงว่าความดีความชั่วมันกํากึ่งกันอยู่จาเป็นจะต้องมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งเข้ามาสักถาม คือโลกธานุในชีวิตธาตของคนเหล่านี้ในขณะที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยเขามองคนแก่คนเจ็บไม่ใช่มองคนมีคันแล้วก็เด็กทารกคนที่ต้องอาญาแผ่นดินแต่คนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยเป็นยังไงหรือถ้ามองในทางสร้างสรรค์อย่างคนสมมติเรามองคนคนมีคันผู้หญิงมีขันไอ้นึกถึงแม่เกิดสํานึกกระตันยูกระตวเวทีถึงแม่แล้วก็มองอท่านเหล่านั้นเป็นเพศแม่ เป็นตัวกระตุ้นเตือนเป็นครูบอกเราว่าเมื่อก่อนเราในขณะที่อยู่ในครันก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อจะได้สํานึกกตัญญูกตวเวทีแล้วก็ทําตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มันก็เกิดเป็นกุศลและเจตนานะเราเห็นว่ามันก็แ่กจัดพวกโมฆะออกไปจากจิตใจหรือแม้แต่เด็กอ่อนมันก็มองแนวเดียวกันคือเด็กอ่อนกับผู้หญิงมีคันเนี่ยคือใช้แทนกันนะฮะหรือบางทีก็พูดถึงเด็กอ่อนบางทีก็พูดถึงผู้หญิงมีคัน และคนที่ถูกจองจําเนี่ยมันแสดงสะท้อนกระบวนการแห่งกรรมที่บุคคลกระทาเอาไว้แล้วเมื่อเราสืบสาวไปถึงว่าทําไมคนเหล่านี้จึงเป็นอย่างนี้เราก็จะพบว่าเขาต้องทําชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้แล้วกรรมนั้นก็สนองผลให้เขาต้องติดคุกติดตารางดีในคนแก่คนเจ็บคนตายก็แสดงถึงสภาวธรรมที่ส่งสอนว่าเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังนติโต ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วมพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เราทําให้เกิดสลดใจที่จะครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะตามปกติแล้วชาวโลกเราเนี่ยจะประมาทจะประมาทมากประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคนี่ยจะประมาทมากแล้วก็เมื่อไรก็เมื่อนั้นนะฮะคือชาวโลกเนี่จะประมาทบางคราวพระพุทธเจ้า รับสั่งเป็นการกระตุกโลกอย่างแรงยังนึกว่าเดนนี่โลกก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยกระตุกยังไงมันก็ก็กระตุกไปได้คนกลุ่มหนึ่งรับสั่งประรบถึงพวกเพื่อนของนางวิสาขามางบาศิกามาควังเทศในสำนักของพระพุทธเจ้าแต่จริงก็เป็นลูกเล่นนะฮะเป็นเล่นเลี่ยมไปเสียก็พกโอสุรามาด้วยในวันณัขัตฤกษ์ นางวิสาขาไม่ได้มาด้วยพอพระพุทธเจ้ากำลังเทศเนี่ยพวกเธอก็แอบกิจสุราไปเรื่อยติดไปจิบมามัก็เมาแล้วเมาก็คุมอไอเดีบทไม่อยู่เริ่มโยกเยกเริ่มอ้อแอเริ่มถึงจุดหนึ่งก็ลุกขึ้นรายรำเลยพยุทธเจ้าทรงกำหนดรู้โดยพระญาณก็ทรงใช้ทิปปาติหารบรรดาให้ตรงนัน้นมืดมิดอย่างแรงมืดทันทีทันใด ตายโันั้นตกใจอย่างแรงสั่งเมาแล้วก็มีลำแสงพุ่งมาทำกลางความมืดนับสั่งเป็นภาษาบาลีไปเลานะฮะโกนุหะโสกิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติอันดกาเรณโอนัทธาปฎีปังนคเวสัตถสู่เจ้าทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินเรื่องเรองอะไรกันอยู่อีกเล่าในมรลคสัตณีว่านเนี่ยมันลุกโพร่อยู่ตลอดเวลา ผูรที่ถูกความมืดทุ่มหมอเอาไว้เนี่ยทําไมไม่แสวงหาไปที่เป็นเรื่องสองทางชีวิตได้แก่ตนเองเราและจากนั้นก็ทรงแสดงธรรมบรรยากาศก็เปลี่ยนคืนสู่ปกติภาพเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะเมื่อไรก็คือเมื่อ น, นั้นเลยเดนนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยและ้ะพอรู้สึกจะมากกว่าได้ซ้าไปเร า, เราดูข่าวในที่บางแห่ง คือดูแล้วมันก็ปรง่งนะคือสะลุดตดถูกว่าเราไม่อยู่ในวิสัยที่จะไปช่วยเหลือกู้คุณ อ, อะไรคนเหล่านั้นได้เรวกลายเป็นแพ่ชั่นเป็นการแข่งขันกันแม้จะจัด ก, การศึกษายังไงก็ตามนะฮะถ้าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับคนอาบน้ำสะอาดแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไปเจอโคลนเจอฝุ่นเจอละอองก็ามาเปื้อน่อน พราะถ้ากลรมองว่ามันได้อะไรล่ะจากการสนุกสนานอย่างนั้นเนี่ยมันได้อะไรถึงความคิดเหล่านี้อย่างเช่นในกรณีของภาษาอิบุตรพระมหากาลนะมันก็มองอย่างนี้มองคนที่สนุกสนานเพลิดเพลินรืรร่นเริงบันเทิงใจกันทั้งไปดูการละเล่นที่แสดงกันบนยอดเขาในกรุงราชสุด ในยามปกติก็สนุกสนานเพลิงวระเศร้าโศกเสียใจกันตามบทบาทที่มีการแสดงพอถึงวันหนึ่งมันเกิดคําถามตัวเองขึ้นมาว่ามันได้อะไรเนี่ยเราได้อะไรเขาได้อะไร เ, เขาได้ค่าแสดงแต่เราต้องเสียเวลาและเสิยเงินแล้วก็จบลงใ น, ในที่สุดทั้งผู้ดูผู้แสดงมันก็ชวนกันจบเทา่าใดชีวิตนี้เป็นการใช้ชีวิตในลักษณะไร้สาระแกมสาร แล้วในสุดก็เลิกไม่ดูการแสดงแล้วก็บวชเพื่อแสวงหาธรรมะที่ถือว่าเป็นสาระแกน่นสารก็จะแสวงหากันนานประสมควรนะครับไปอยู่ในสำนักสัญชัยปริภัชชุกมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแนวนี้โลกมันก็เปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คกิเปลี่ยนแปลงเฉพาะคนที่แก่คนเจ็บคนตายแต่ว่าความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดที่ใครแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นในร่างกายของบุคคลจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยระดับศีลธรรมเราเห็นว่ามองตัวทุกข์กษัตริย์เนี่ยมันไปเห็นคุณเห็นโทษของสมุ ท, ทยัยเช่นว่าคนมางคนในมัวมอประมาณที่พูดกันว่า หลงกายลืมแก่หลงเมียลืมแม่นะ่ะแก่แล้วอจาเมาอะไรจะไหนเะมากายลืมแก่เมาเมียลืมแม่แก่แล้วจะเมาพิฆนบางคนเนี่ยไปหลงที่ร่างกายแล้วก็ลืมทั้งว่าเวลาเนี้ยเราไม่ใช่อยู่ในฐานะตรงนั้นแล้วการจะทําอะไรการจะพูดอะไรหรือแม้แต่จะคิดอะไรที่เรียกว่าเป็นการเหมาะกันคนะวรเนี่ยไม่ควรจะดูสถานะสถานภาพของเราตลอดถึงการราเทศสะที่เข้าไปเกี่ยวข้อง จนถึงกับจุดหนึ่งเนี่ยมองเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าไอ้มองในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่ามองตามโครงสร้างของทุกข์สัตว์จนถึงกับมาพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เรียกว่าเข้าถึงคติธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ไปได้แล้วก็พยายามที่จะ รองชีวิตยอยู่ในความไม่ประมาทเพราอ้ตัวไม่ประมาทเนี่ยมันเป็นมักนะฮะเราสังเกตุไม่ประมาทเนี่ยเป็นมักแต่เราเรียนจากตัวถูกคือตัวความแก่หรือเรียนจากตัวเกิดก็ได้นะตัวแก่ก็ได้ตัวเกิดก็ได้ก็แล้วแต่จะเรียนกับอะไรจริงุดหนึ่งมันก็หาประโยชน์จากแนวมกักคือความแก่เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ลองสังเกตว่าคนแก่บางคนเนี่ยมันเป็นที่ปรารถนาต้องการของคนทั้งหลาย ลุงพ่อลงปู่ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้เท่ามากนะอย่างลงปูแ่แหวนอายุตั้งเก้าสิบกว่าพระอาจารย์บัวเนี่ยก็เท่าไรละเกือบเก้าสิบละนะพระอาจารย์คูนเนี่ยตั้งรก็เกือบแปดสิบละแต่ทำไมเป็นที่ต้องการปรารถนาจะพบจะเห็นเข้าวเกี่ยวข้องเข้าไวไหวข้าปราบของมุคคลเราเน ก็เพราะว่าท่านแก่ทำรรแก่ทานแก่ศีลแก่ภาวนาแก่ศีลสมาธิปัญญามันมันมีคุณธรรมอยู่ภายในเป็นความเจริญเติบโตแบบต้นไม้คือไม่เจริญเติบโตแล้วโกรกกลวงนะฮะแต่ว่ามันมีแก่นมีแก่นดูข้างในต้นยิง่งโตเท่าไรแก่นก็โตตามไปแล้วแปกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นที่พึ่งพํานักอาศัยของสัตว์ทั้งหลายของคนของสัตว์ทั้งหลาย แล้คนต้องการประโยชน์อะไรจากต้นไม้ต้นนั้นก็ได้ประโยชน์อย่างนั้นแต่นั้นถ้าเหล่านี้จึงกลายเป็นที่ชื่นชมพอใจยินดีที่จะพบจะเห็นของบุคคลทั้งหลายดังนั้นถ้าเรามองเทียบเคียงถึงความงามสี่ระดับความงามระดับแรกนั้นเป็นความงามเรื่องเสื้อผ้าแพรพันธุ์ที่เล่นแฟชั่นสนุกสนานกันเนี่ยชอบในเรื่องเหล่านี้น คื อ, อยนึกไป่ออกนะครับบางทีเราเห็นภาพทังสือพิมพ์ที่ทรูปของการแสดงแฟชั่นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าทำไมมนุษย์เสียเวลาไปในเรื่องเหล่านี้มากมายไล้เกิดเรก็สิ้นไปเงินทองไปเป็นจานวนมากนะแล้วก็ตกเป็นอาณานิคมทางความจิตวิญญาณคือไปออนไววคล้อยตามกระแสะของการโฆษณาชวนเชื่อจากบุคคลทั้งหลายซึ่งเขาลงทุนเพื่อผลกำไรนะ เราลงทุนเพื่อรับใช้ข้อเสนอแนะของคนเราเหล่านั้นเท่านั้นเดี๋ยวันทีเราก็ได้ข่าวเออคนบางคนก็มีผ้าเป็นร้อยร้อยชุดบางคนก็เป็นพันชุดอย่างนี้ว่าเออมนุษย์นี่ก็สูญเสียเวลาไปเรื่องเหล่านี้นเยอะนะฮจะทาอะไรได้ขึ้นม า, าะะนนความงามในแนวนี้มันเป็นความงามระยะสั้น ถ้าเราจะดูจริงๆนะถ้าจะไม่เพิ่มเติมเนี่ยสี่ชั่วโมงในอยู่ได้หรือเปล่าแต่งตัวอย่างดีเลยนะสี่ชั่วโมงในเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงและแต่นั้นก็เป็นค่านิยมที่สูงแล้วก็ลงทุนลงแรงมาเสียเงินเสียทองไปะยะน่ น, นึงเป็นความงามในด้านสวดสูงสันฐานรูปร่างหน้าตาตัวนี้จะได้เวลานา น, านหน่อย แต่ใน ท, ที่สุดมันก็ต้องร่วงโรยไปตามธรรมดาของสังขารดังไงรเบื้เนีรกมีกระแสะความคิดที่เรียกว่าความงามทางร่างกายเนี่ยมันก็สู้ความงามั้านจิตใจไม่ได้ แต่บ า, างคนยังไปเน้นตรงนี้ที่จริงมันได้จากผลบุญบุญกุศลนะฮะกรุป๊ปธรรมนามธรรมมนเกิดมาอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นแหะแล้วใครจะกําหนดว่างามที่จริงไม่มีเกณฑ์กําหนดอะ่ะมันเป็นเรื่องหลังเนื้อชอบหลังยาเฉยๆความงามอีกระดับหนึ่งนั้นเป็นความงามระดับศีลเราจะเห็นว่าตรงนี้จะไม่จํากัดคนละจะไม่จํากัดวัยจะไม่จํากัดรูปร่างจะไม่จํากัดสถานะของคนแล้วคุณอยู่ในศีลในธรรมหรือเปล่า จะอยู่ในศีลในธรรมไปรับการยอมรับกัรถือยกจอมจากบุคคลทั้งหลายแนวต่อไปก็คือความงามในด้านจิตใจนะเช่นว่าเป็นคนที่มีความอดกันความอดนทนจิตใจไม่อ่อนไหวไปตามกระแสของอารมณ์สบายไม่ว่าจะความลำบากความตรากตำํำ ความทุกข์ทรมานทึ่เกิดขึ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือลักษณะทางอารมณ์ที่กระแท่กระทันใจส่วนใหญ่ก็จะมักมาในรูปของการยั่วยุ่ยนก็ยยั่วยุวยวยวการอดทนต่ออารมณ์นั้นไม่ได้และการต่อไปนี่คือเมื่ออดทนไปแล้วนี่มันมีความแช่มชื่นอยู่ภายในใจมีความเบิกบานแจ่มสาสอยู่ภายในใจ คืออย่าทุกข์ไปนานอย่าเข้าใกล้ถุกไม่ต้องเก็บมากลุ่มหนอเสียเวลาเปล่าใครจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาเราอย่าเป็นตามที่เขาว่าแล้วกันเพราะพวกพวกธรรมะเหล่านี้มันมันจะกลายเป็นเรียนใจที่ทรงแสดงไว้คือเราจะมีธรรมะข้อใดก็ตามนะฮะหราจะว่าจะแก่อย่างไงเนี่ยคนจะไม่ได้มองที่ตัวความแก่แล้วไม่รังเกียจความแก่แต่จะชื่นชมกับคนแก่ คนแก่ที่อยู่ในศีลในธ่รทมีเมตตาอาเดียรอบนะมีน้ำใจต่อคนรุ่นหลังทั้งหลายเนี่ยเป็นที่เคารพสักการะและไม่ได้เกี่ยวกับเป็นพระหรือเป็นชาวบ้านนะนั่นก็หมายความว่าชาติความแก่เป็นประโยชน์ไออร่างกายแล้วมันแก่ก็ไม่รู้จะไยวยังไงนะก็เกิดมานานก็ต้องแก่ ก, ก่อนยังคุยกับจุคุณเจ้าคณะเนี่ยท่านท่าน แ, ก, แก่แกกว่าตมาสิบปีท่านก็เจดสิบเจ็ด มากระบอกปรามาก็หกสิบเร็จแล้วแต่อยู่สมมติว่าแปดสิบปีแล้วก็สิบสามปีสั้นนิดเดียวจะตายอลแต่เราจะอยู่ถึงตรงนั้นหรือเปล่ามันก็ไม่รู้อะเพราะงั้นเราก็อยู่วันวันก็แล้วกันอยู่กันไปวันวันพยายามทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันเท่านั้นเองวินาทีหน้าเราไม่รู้ว่าเราอาจจะตายก็ยได้ก็แตาให้มองชีวิตเป็นขณะขณะ ลองสังเกตว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเนี่ยเอาก็จริงมาเป็นขนาดการตัดสินใจช่ววูบของอารมณ์ในบวกก็ได้ลบก็ได้ เ, เห็นไม่เกิดเมตตาขึ้นมาเกิดกรุณาขึ้นมาและช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นในเหมาะควรแก่จังหวะเช่นสมมติเราเห็นเด็กวิ่งไปรถจะเฉียวเอาแล้วก็เราก็ไปกุ้มเด็กมาไว้ได้เนี่ยการตัดสินใจช่วนั้นที่จริงก็ไม่ถึงนาทีแต่ว่ากลายเป็นวีรกรรม เป็นความสุขใจเป็นความภาคภูมิใจในการช่วยชีวิตของบุคคลอื่นแต่บางครั้งขคาวก็รู้ออำนาจแกโตศั์ชักปืนเปรี้ยงฆ่าคนตายนันก็แสดงเห็นว่าเรก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองโดยความคิดในแต่ละขณะดแต่ น, นั้นเองชีวิตจึงเป็นเรื่องของขณะที่จะต้องรับผิดชอบในแต่ละขณะให้ได้ เราจะเป็นคนดีหรือไม่ดีบางเรื่องนี่ไม่เป็นเรื่องเลนะเราจะเห็นว่ายังมีข่าวาข่าวคราวที่เครื่องบินมันชนกันของจีนของอเมริกาเลยคือย่งมองว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกคือถ้าอย่าไปการมือให้มากอย่าถือรันให้มากใครจะผิดไม่ผิดเนี่ยเอามาอย่างนึกภาพอย่างหนึ่งในริกชอริกชอคือสามล้อของยินเดียเนี่ย ก็ชนกันฮะแล้วก็ลงมาขอโทษลงมาขอโทษทั้งคู่เลยไม่ได้แสดงอาการเพี้ยงกราดอะไรตัวอะไรภาพเหล่านี้คนญี่ปุ่นนี่พูดเลยนะแต่เห็นว่าพอ ม, มีการแล้วเมื่อลุ้งเกินกันแล้วก็ลุกขึ้นมาโค้งกันมาช่วยเหลือกันแล้วก็โค้งกันแต่ถ้าหากว่าเราไปใช้อารมณ์แต่ที่จะใช้เหตุผลเนี่ยเรื่องเล็กเล็กขงกายเป็นเรื่องใหญ่มัน่าทสาระ แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันมีอัตราตัวตนมันมีอะไรแต่ดึงขึ้นมาแล้วทําให้สูญเสียเวลาโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีปัญหาใหญ่มันก็เลยกระตกแก่ผู้น้อยตกแก่ราษฎรในประเทศเราเนี่ยทีนี้ถ้าเรามองชีวิตเราว่ามันีความแก่แก่แล้วตอนนี้เวลาจะทําประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองคนน้อยลงแล้วก็พยายามทําตายเมื่อไหร่ก็ช่างมัน แต่ว่าในขณะที่แก่เนี่ยไปแก่ศีลแก่ฐานแก่ภาวนานะเป็นแก่ที่มีคุณค่าแก่แล้วเป็นที่ยอมรับนักถือยกย่องของบุคคลนั้งหลายนะปัญหาสําคัญว่าคนเราไม่ได้อยู่ที่อายุเท่าไหร่แต่อยู่ที่คุณปฏิบัติตนอย่างไงเป็นคําตอบที่แต่ละคนเนี่ยสามารถตอบได้แต่ว่าเราไปฉะรอความแก่เนี่ยเราไปจะรอไหมเพั่มฟังทั้งหลา แต่รมาปฏิญาณในวันนี้ขอยุติว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยถูกกันสวัสดี